จะเรียกว่าพอใจไม่พอใจจริงต่างๆที่ประกอบเป็นอินทรีย์หรือเป็นกายนี้เรียกว่าสังขารแต่ท่านเรียกนในลักษณะกายก็คือกายแต่ถ้าเรียกลักษณะความอาการรวมกันขึ้นเรียกว่าสังขารคือมีธาตุสี่ขันห้าคือดินน้ำลมไฟตาธาตุวิญญาณธาตุพร้อมทั้งจิตตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าสังขาร จะม่เรียกว่ากายเฉยๆไม่ได้กายก็คือสัตว์กายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นลักษณะหญิงหรือชายนั่นก็คือกายแต่ถ้ารวมกันขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะของอินทรีย์หรือสังขารพูดถึงสังขารอันนี้อย่าไปตาลบถึงเรื่องของกายสังขารอันนี้เพคือลักษณะของดินน้ำลมไฟอากาศสธาตุและวิญญาณธาตุ ธาตุต่างๆเหล่านี้เมื่อตั้งอยู่เฉยๆเป็นธานตุที่บริสุทธิ์แต่ถ้าธาตุทั้งหกประการนี้ขึ้นมารวมตัวกันเมื่อนไหลธาตุนี้คือสังขารนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปไม่มีสังอาสังขารอันไหนที่เกิดมาตั้งอยู่ได้นานคือมีความเสื่อมแล้วมีการสลายขึ้นอย่างที่บอกว่อาอนิจจังทุกขังอนัตตา อยากให้โปรงถึงลากษสังขารกรรมอันนี้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าธ า, าตุสีหรือว่าอายตนานั้นเรารวบรวมมาจากกายกรรมวจีกรรมโมกกรรมที่ทำขึ้นที่เรียกว่าธาตุไม่บริสุทธิ์ดินที่ประกอบขึ้นมาน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุล้วนแล้วแต่ว่าเป็นกรรมที่ประกอบขึ้นพรเจ้าท่านเรียกว่า สังขารกรรมไม่ใช่สังขารธรรมเลยเป็นสังขารกรรมมนุษย์ทั่วไปก็จะใช้สังขารไปตามลักษณะของกรรมที่เคยทำไว้แล้วทำกรรมอะไรไว้ชอบใจอะไรไว้ประพฤติอะไรไว้ทำอะไรไว้มันก็จะไปตามอย่างนั้นเน่ที่เขาเรียกว่าวิชาข้อหนึ่งอุปท า, านข้อหนึ่งแล้วก็วิบากแห่งการทำอีกข้อหนึ่ง สามอย่างนั้นเน่รวมมาเป็นสังขารเราประกอบกันขึ้นเป็นสังขารที่มีกลับมีภูมิใ้ฟังถึงลักษณะว่าเราจะต้องไปคิดถึงเรื่องสังขารอันนี้ว่ามันประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์อะไรเลยนะ่าจะไปคิดว่าสังขารของเราบริสุทธิ์ลึกลงไปจากสังขารที่เรารู้จักถ้าไม่บอกไม่กล่าวไม่แสดง คือเราเราไม่ได้พระเมตตาคุณกรุณาคุณพระพุทธอง ค, ค์แล้วเราคงจะไม่รู้จักสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในสังขารเราสิ่งนั้นก็คือพระุทธองค์ท่านเรียกว่าสังขตตะแปลว่าจิตจิตของเรายังต้องมาผัวพันอยู่กับธาตุสี่วิญญาณอันนี้เพื่อใช้รำเราจะเห็นถึงลักษณะเราเกิดมาจำความได้จิตตรงนี้เป็นยังไง มันวนเวียนอยู่ในลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือราคะโทสะโมมันวนอยู่ตรงนั้นมันเป็นไปตามลักษณะอย่างนั้นที่พุธเจ้าทบอกว่ากรรมพันทุกข์คือเรามีกรรมเป็นพวกขึ้นมาพวกไอที่นี้ก็หมายถึงลักษณะอย่างที่บอกแล้วว่าดินน้ำลมไฟกาจะธาตุวิญญาณธาตุ มันเป็นพวกก่อตัวขึ้นมาเป็นสังขารจิตดวงนี้ต้องใช้กรรมกับเรื่องที่ทําไว้กับดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุทีนี้เมื่อจิตของเราเรู้ลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยทํำยังไงอยากกระเน้นไปถึงสังฆตคือจิตที่รู้จักธรรมเช่นขณะนี้เรามีจิตมีสติมีสามปัญญะรู้จักคุณธรรมพระพุทธองค์แล้ว ก็นำเรื่องของกายหรือสังขารที่ประกอบเป็นลักษณะของท่าสี่ขันธ์่าวิญญาณมาประพฤติทำขึ้นโดยหากขอบพอเริ่มลักษณะอย่างนี้จิตเราก็จะเป็นธรรมขึ้นหรือจเจริญขึ้นไปตามลักษณะถึงที่เรียกว่ารู้และเข้าใจถึงลักษณะจิตที่มีสติสัมปชัญญะว่าเราจะต้องประพฤติตัอย่างไง กายกรรมมจิกรรมมนุกรรมหรือว่าดินน้ำลมไปอากาศธาตุวิญญาณธาตุขหลเรานั้นจะบริสุทธิ์ขึ้นถ้าจะนำสิ่งนี้มาบริสุทธิ์ก็มีอยู่ห้าข้อเท่านั้นสิ่งนั้นจะนำมาให้ก็คือพระยืนพระเดินพระนั่งพระใสยญาตกัระทำใจอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละที่ที่บอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าใครยิ่งแข่งขวายยิ่งได้ดีแล้วดูซิว่าธาตุสี่ขันห้าวิญญาณของเรานั้นมีกรรมไหม ถ้าเราอยู่ตรงนี้การรู้ลักษณะของสังขารที่มีกรรมกับสังขารที่เป็นธรรมก็จะทำให้เรานั้นฉลาดและก็จะเจริญขึ้นเหมือนกับทุกคนนั้นมามีความศรัทธาและเลื่อมใสในคำสอนและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ก็คงจะต้องเน้นกันไปตรงนั้นว่าสังขาร น, นั่นคือโลกสังขตะนั่นคือจิตถ้าจิตตรงนี้ไม่นาสังขาร มาประพฤตริรมแล้วจิตและสังขารนนจะต้องมีกรรมต่อไปคือความเป็นทุกข์ทุกในการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกเวียนว่ายไปตามลักษณะภพและชาติต่างๆซึ่งมีมนุษย์และสัตว์ให้เหล่านั้นได้ไปกุดไปเกิดตามลักษณะของกรรมที่บุคคลนั้นขาดสติธรรมหรือความเข้าใจธรรมนนี้เราก็แยกออกแล้วใช่ไหมว่าสังขารกับจิตนั้นคนละส่วน เราก็คงจะไม่ไปยึดสังขารของเราว่าเป็นของเราแล้วเราคงจะไม่เอาจิตที่มีความรู้ความเข้าใจไปนาสัง ข, ขารไปใช้ในสิ่งที่เป็นกรรมเราก็คงจะนาสัง ข, ขารที่เรารู้และเข้าใจนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการประพฤติรมขึ้นเป็นสาระขึ้นกับเรื่องของจิตที่มีสติสัมปชัญญะในการฟังธรรมหรือฟังความเข้าใจขึ้นที่พรจ้าท่านสอนไว อันนี้ข้อสุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณก็แปลว่าสื่อสารที่จะมาจําแนกแจกความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตวเรียกวิญญาณนลยนะแปลว่าสื่อสารนํามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ชีวิตได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกับเรื่องราวของชีวิตที่เราเกิดมาก่อนที่จะดับไป แล้วเราก็เปลี่ยนไปตามลักษณะอย่างนั้นวิญญาณก็คือตาเห็นรูปคือเราทะเลาะรู้จักรูปนั่นคือวิญญาณหูได้ยินเสียงนั่นคือวิญญาณจมูกที่ได้กลิ่นนั่นก็คือวิญญาณลิ้นที่รู้จักรสนั่นก็คือวิญญาณสัมผัสหนาวเย็นร้อนหิวกระหายปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เขาก็เรียกวิญญาณ ไปกระทั่นถึงการสัมผัสการรับรู้ทั้งหมดเขาเรียกว่าธรรมะลมคือวิญญาณมันล่วงลงไปสู่สุดท้ายคือธรรมาลมแปลว่ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องของตาูจ้จมูกลิ้นกายใจรู้หมดเลยเราก็คงจะใช้วิญญาณไปตามสามมันที่เราเคยใช้มาที่เรียกว่าวิญญาณสามมันก็คือวิญญาณที่ประกอบไปด้วย อุปาคิเลสสามอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยหนึ่งอวิชชาความไม่รู้จักวิญญาณอุปาทานความนิ่มนั้นในวิญญาณแล้วก็วินบากคือขนทางแห่งการทําไปกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมก็ตกอยู่ในลักษณะธาต ข, ของวิญญาณอาวิชชาก็คงจะบอกตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธองค์แล้วเราคงไม่รู้จักวิญญาณคงจะใช้วิญญาณสลับซับซ้อนอย่างนี้ เพื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเ็าอยากจะบอกผู้ปฏิบัติว่าลึกลงไปจากวิญญาณ น, นั้นพระสอง์ท่านบอกว่ารู้เท่าทันหรือมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกับวิญญาณถ้าไม่เกิดเป็นการมีสติมีสัมพันัญญาเรียกว่ารู้จากเรื่องของสิ่งที่เกิดมาตั้งอยู่ดับไปหรือรู้ในลักษณะ ข, ของพระใจลับ คืออนิจจังทุกขังอนัตตารู้ลักษณะของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควารมรู้เหล่านั้นทำให้เหล่านั้นเข้าใจถึงวิญญาณว่าวิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณแห่งความทุกข์เหมือนอย่างก็เราเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักวิญญาณใช่ไหมตาเรามองเขาเนี่ยก็ชอบจะมองเขาเห็นล้วผิดโกรธเขาไม่พอใจในในรูปที่ตาเห็น หรือพอใจในรูปที่ตาเห็นทิงชังเกลียดอิจฉาริษยาทำ ร, ร้ายเลเทอุบายกับเรื่องของตาที่พบลูกล้วนแล้วแต่ว่าในวิญญาณของเรานั้นมีแต่สิ่งเลวร้ายหรือชั่วร้ายก็อยากจะให้มาดูลักษณะวิญญาณดีเอาละเราจะยกยกแยอย่างแล้วก็แบบอย่าง พระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้เมตตาคุณกลปนาคุณมีใครบอกว่าพระพุทธองค์นั้นสรงร้ายทรงไม่ดีเพราะว่าวิญญาณของพระเจ้าทรงดัดแปลงและแก้ไขแล้วด้วยเหตุสองประการคือเมตตาคุณกลัลปาคุณคือคือปลูกฝังเมตตากลัลปนาและการให้อภัยเป็นหลักพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงหุนหันพันแล่นกับเรื่องของวิญญาณอะไรที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของวิญญาณนั้นจะหยุดยัง สร้างความเข้าใจกับวิญญาณถ้าเป็นคุณก็ทำขึ้นถ้าเป็นโทษต้องดหรือละไปเราทุกคนก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาใช้ในลักษณะ ข, ของวิญญาณอันนี้เขาเรียกว่าจับเนื้อกับตัวสร้างวิญญาณขึ้นมาใหม่ให้รู้เท่าทันในวิญญาณของตนที่เกิดขึ้นก็จะยับยั้งเรื่องราวของตำคือความทุกข์เหล่านั้นได้ตามลักษณะ ข, ของบุคคลที่เจริญแล้ว ด้วยสมาธิพิจารณาถึงขันท่าเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจก็จะนําขันท่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมาอย่างประโยชน์ของชีวิตที่เกิดขึ้นมาก่อนจะดับลงไปที่บรรยายหรือว่าที่ชี้แจงวันนี้ก็คือหัวข้อหรือว่าข้อแนะนําในการคิดในการพิจารณาถึงคุณและโทษของขันท่าที่มีอยู่ ก่อนที่ขันห้านั้นจะละลายจากกันไปตามลักษณะว่าดินตามดินน้ําตามน้ำํำลมตามลมไฟตามไฟอากาศจะทา่าตามอากาศจะทา่าวิญญาณตามวิญญาณเมื่อขันห้าแตกยับไปแล้วจะเหลือแต่จิตที่เป็นไปตามลักษณะของดีและชั่วหรือว่าโลกกับธรรมเราทุกคนก็คงจะมีสติมีสัมปชัญญะสานึกในเรื่องของการใช้ขันห้า ให้เป็นประโยชน์ขึ้นคงจะไม่หุนหันทันแล่นกับเรื่องราวของอุปาทานแห่งความยึดมั่นในในในขันห้าของตนว่าเป็นของตนคงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ชีวิตของตนคงจะนำขันห้ามาสู่ลักษณะคุณธรรมสามประการที่บอกกล่าวไว้บ่อยๆเลยว่า ีคือความสำรวงความประพฤติในขันห้าสมาธิตั้งจิตตั้งใจควบคุมขันห้าและชีวิตของเราให้ดีๆปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจมาปกปักรักษาความประพฤติของตนให้ถูกต้องตามลักษณะคุณธรรมที่ท่านบอกไว้อย่าง น, น้อยก็ประครับประคองชีวิตมนุษย์ของเราไว้ให้ดีๆอย่าให้ขาดตกบกช่อง ในคำว่ามนุษย์แปล ว, ว่ารู้จักกายรู้จักอารมณ์ถ้าเราเป็นมนุษย์ยังไม่รู้จักกายจักอารมณ์ก็คงจะควบคุมกันห้าไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักกายจักอารมณ์คงจะควบคุมขันห้านี้ได้อวิชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆหายไปกับเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าแก้กันไม่รู้ต้องทําให้รู้ไม่เข้าใจต้องทําให้เข้าใจเล็กๆในน้อย สำหรับการบรรยายเรื่องของจิตสมาธิแห่งความเจริญด้วยขันธ์ห้าก็คงจะพอสมควรแห่งการให้ดิใสยแก่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระในชีหรือว่าบาสกบาจิกานี่แหละสิ่งที่พูะเจ้านั้นทรงเจริญขึ้นด้วยสมาธิแห่งการพิจารณาขันธ์ห้าและเราก็ไปลึกซึ้งสร้างความเข้าใจกันเรียบเรียนกันให้เกิด ป, ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง สำหรับหัวข้อทมสำหรับข้อคิดพิจารณาก็ก็ให้แค่นี้นะครับ ต, ตามสบายแล้วก็คงเกี่ยวป็นสุขนเอนนี้มันก็จะตรงกับคำที่พระเจ้าทรงแนะนำ ส, สอนว่านัตติสันติพลังสุขขังนะสุขอื่นนอาจะความสงบของกระแสะจิตไม่มีเราก็จะเห็นเลยเห็นฌาปนเลยและเห็นชัดด้วย เข า, าเปลียบเทียบกัแล้วว่าเมื่อคืนวานนี้เราเราตักฝนตั้งแต่โดยประมาณนะคือประมาณชักสี่ทุมหรือเกือบจะถึงสี่ทุมไปถึงกับห้าทุ่มนะโอ้คงจะหนาวสั่นไปต่งตางๆกันนั่นแหละนะแบบพระองค์ไหนก็ทุกคนมีมีอะไรมีธาตุมีขันมีเวทมีธาตุมีขันมีวิญญาณต้องรับรู้ถึงความหนาวเหล่านั้นไม่ใช่ว่าองค์หนึ่งหนาวหรือองคหนึ่งบอกผมไม่หนาวอ่า เราเป็นอะไรเราเป็นต้นไม้หรือเป็นกดินหรือเป็นก้อ น, น, น, นหินหรือมหนาวแข็งใจพูดไปก็เองว่าไปไหนดินหนจะตายอะไรอย่างนี้เพราะนั้นทุกชีวิตที่มีขันคือมีขันธาตมีธาตุมีวิญญาณต้องรับรู้ถึงความทุกข์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันจะเรียกความหนาวความหนาวความเย็นแน่นๆความหนาวความเย็นนั่นแหละมันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการศึกษา เพื่อจะให้ไปสู่คาว่าอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งที่มาสัมผัสกายตนตอนนี้ถ้าเรากลัวเงี้ยกลัวหนาวใช่ไหมพอฝนตั้งคาวมาลงไปปะก็เกสื่อแต่บาดหลือกับปกติไปเลยเงี้ยแล้วไหนจะรู้ว่าความทุกข์ของกายเป็นยังไอ่นะเราก็นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเดินก็อยู่ตรงเนี้ยยืนกัอยู่ตรงเนี้ยนะประมาณชั่วโมงกวา่ากว่านะภูมิใจเองก็ ยืนดูอยู่โอ้โหสันเต๋อในความอดทนของพระนะไม่หลีกไม่หนีกับเรื่องราวของฝนที่ตกมาสัมผัสกับเรื่องของกายก็แน่และต้งทุกข์เพราว่าผู้ผู้บัญรยายนะผู้บรรยายเี่ก็เคยโดนมาแล้วนะกับเรื่องเรื่องอย่างเนี้ยเนี่ยตากฝตากฝนอย่างเนี้ยเคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีนะก็เคยตันทั้งหนาวทั้งเย็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นความรู้สึกสารที่ผู้ปัญญาทํามากับสิ่งที่มาปราลบมันมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันแต่นี้เอาละเอาวันวันนั้น่ะวันที่เราตอบผลเนี่ยว่างไปแล้วคือหมายความเดินออกมาแล้วจากสิ่งนั้นมาถึงวันนี้เป็นไงหนาวไหมไม่หนาวแล้วสั่นไหมไม่สั่นแล้วและความหนาวนั้นหายไปไหนความเย็นหายไปไหนเพราะเราเดินออกจากเวทนาไปแล้วจึงเกิดเป็นสุขขึ้น นี่เราก็จะเห็นนันทีอ๋อสุขเกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนทุกเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนก็จะเห็นชัดทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำให้ชั้นสูงสุดเลยเนะี่ยเขาเรียกชั้นของพระอรหันต์ที่เต็มเต่าวว่าการไม่เบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวกนั้นเป็นธรรมชั้นสูงสุดเหนหี้กัให้ทานรักษาศีลดีกับไปนั่งบําเพ็ญโพธิตากแดดตากฝน หรือทรมานตนไปตามลักษณะของอัตตะกิริบฐานโยกอะไรประเภางเงี้ยเหมือนดาบดไดดาบีหรือสีชีพรายอะไรบเพ็ญกันอย่างเงี้ยเปิดอจะย่างกิเลสอย่างเงี้ยการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมชัน้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคําเนี้ยที่พระเจ้าสงกล่าวเนี่ยจึงกลาลอกออกมาเป็นแยกออกมาเป็นลักษณะสามทางสามประการหรือสามลักษณะหรือสามสิกขา เพื่อจะให้เรารับรู้ว่าอ๋อถ้าทํายังไงไม่เบียดเบียนนั้นแต่ต้องทําอย่างไรกับเรื่องการไม่เบียดเบียนให้เกิดเป็นความทุกข์แก่ตนนะพระองค์ก็ทรงบอกว่าถ้าเธอไม่อยากถ้าเธออยากจะมีคุณธรรมชั้นสูงคือฐานที่ไม่เบียดเบียนนั้นเธอจะต้องประกอบไปด้วยข้อที่หนึ่งคือเธอต้องมีศีลศีลแปลว่าความสํารวม หนึ่งสัมรวมกายสัมรวมอินทรีย์สัมรวมวาจาเนไสัมรวมก็แปล ว, ว่าไม่นํากายไม่นําำอินทรีย์หรือว่าไม่นําวาจาไปปราลบไปเบียดเบียนไปทําร้ายไปไปอะไรต่ออะไระในบุคคลหรือสัตว์เหล่านั้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง เมื่อเธอมีสินแล้วเธอก็ต้องมีสมาธิตั้งใจไว้ให้ดีว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เหมือนกับเราไม่เบียดตัวเองเบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เราก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแต่นี้เมืม่อข้ดที่สองผ่านไปแล้วก็ข้อที่สาม เธอจะต้องมีปัญญารู้จักคําว่าเบียดเบียนที่เป็นทุกข์กับเบียดเบียนที่ไม่เป็นทุกข์นะก็เหมือนอย่างตะเคียนฟังตะเียนว่าฝนตกนะแปลว่าทุกข์แต่นี้เวลานี้ฝนไม่ตกไม่ฝนกายเราไม่กระทบกับฝนหนาวเย็นก็ไม่มีมันก็เป็นสุขเหมือนกับเราไม่เบียดเบียนเขามันก็เป็นสุขถ้าเราไปเบียดเบียนเขามันก็เป็นทุกข์เราก็จะเห็นชัดเลยแล้วใครเห็นใครใครฟังแล้วไม่ชัดเนี่ย ถ้าใครฟังไม่ชัดก็แสดงว่าออืก็พอสมควรแก่การและสมัยเลยอะ <c oughs> ไรอ่าเงี้ยไม่ว่ า, ว า, ว า, ว า, วาอาจจะประสาทหูไม่ดีหรืออาจจะหูทางประสาทหูอาจจะเป็นอะไรเ้าเรียกว่าอาเลอะเลือนหรือเสื่ อ, อสมสภาพอะไรนแบบนี้นแต่ถ้าเราฟังเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเห็นที่พระท่านทำใหญ่ที่เขาเรียกว่าคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธองค์ทรงได้รับมาแล้วเพราะนั้นพระพุทธองค์น่ะเราจะเห็นพระพุทธองค์ทรงเมตตาคุณกรุณาคุณใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงเบียดเบียนใครเลยแม้แต่กายก็ไม่แตกต้องแม้แต่วาจาพระพุทธองค์ก็เป็นติยวาจาคือวาจาที่ดีที่นามพูดแล้วมีความรู้พูดแล้วมีเหตุผลพูดแล้วมีแนวทางนะใช่ไหมแม้แต่การทิดการนำ้ำดีในทางกระแสจิตพระองค์ก็มีแต่กุศล เพนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าอุทรงเป็นต้นบัญญัติเป็นองค์ตำราเป็นคำภีร์เป็นเยี่ยงอย่างที่เราทุกคนนั้นจะ ต, ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็อสร้างความเข้าใจให้เกิดเป็นสติแปลว่าระลึกให้ได้ปัญญาก็คือความรอบรู้เนีย่ยยกตัว อ, อย่างให้เห็นในลักษณะว่ากายมาีกายถูกผลมีทุกข์แล้วกายที่ไม่ถูกผลไป็นไงก็มีสุขเหมือนกับจิตเราอ่ะ ถ้าอยากจะมีทุกข์ก็อย่าไปทําร้ายใครเขาอย่าไปคิดร้ายอย่าไปทําร้ายคือคิดก็ไม่ดีทําร้ายก็ไม่ดีแม้แต่ว่าพูดก็ไม่ดีเขาเรียกว่าทวารสามถ้าคิดถ้าคิดว่าไม่อยากจะมีทุกข์แล้วก็อย่าคิดไปทําร้ายอย่าคิดไปพูดร้ายหรือเถื่าหรือหรือทำอร้รำายพวกอืก่นนะมันก็จะเป็นสุขเขาเรียกว่าจิตรู้จักสัมผัสแล้ว เกิดความรู้ความเข้าใจกับเรื่องราวของคาว่าทุกของกายทุกของวาจาาละและทุกของจิตเนี่ยผู้ปฏิบัติก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจบ้างพอสมควรนะกับโยนิโสช่วขณะก็คงจะมาให้ข้อคิดข้อธรรกันอย่างเนี้ย นะบางจังหวะบางเวลาก็คงจะลงมาให้เขาคิดเขาทำไปนอย่างนี้เล็กเล็กไม่น้อยแตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมแล้วละที่เราอขออนิสัยระยะสั้นสามเดือนนี่เหมือนกับสามวันสามวันก็เหมือนสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็เหมือนสามนาทีก็คือมันก็สั้นมากเพราะนั้นระยะเวลาที่ว่าวกล่าวมาตั้งแต่แรมหนึ่งขั้ม เดือนแปดเวลานี้ย่างเขาเดินเก้าแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนสิเศษความว่างกับเวลาที่อยู่ขณะ น, นี้คงจะได้อะไรกับสิ่งที่เราเดินทางมากับความว่างเหล่านั้นพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแนวทางของกายก็ดีแนทางวาจาก็ดีหรือแ ม, ม้แต่ว่าในวทางของสติธรรมทางกระแสจิตซึ่งเราียกว่ายติกันด้วยวาจานี้ ก็คงจะพอสมควรกับเรื่องการปกครองชีวิตระยะสั้นกับความเป็นพิสุ ข, ของตนกับการเป็นอุบาสกอุบาสิกาของตนขึ้นตามลักษณะของสิ่งที่เราได้ใช้เวลากับสถานที่เหล่านั้นมาเพราะนั้นสถานที่ที่เราเดินจากเดินมาจากความบ้าเปล่าของแหลมหนึ่งข้าถึงวันนี้นั่นคือสิ่งที่จะเป็นทำให้เหล่านั้นมีสติ กับเรื่องราวที่ผ่านมากับอดีตเรียว่าความว่ากเล่าวแล้วเราจะเราจะผลกลับไปสู่แลมหนึ่งข้าเดือนแอีกไม่ได้แล้วมีแต่ว่าจะเดินทางไปสู่เดือน9เดือน10บเดือนสิบอคือออกพสรษาตามวันเวลาที่เรากําหนดด้วยว่าอยู่ตามพรรษาทบไปมากสามเดือนขึ้นเพรนั้นสติแปลว่าระลึกได้สัจัญญมะรู้สึกตัวกับเรื่องราวของการได้สัมผัส ทำทางกายทางวาจาทางจิตพอจะพอที่จะเป็นผู้ที่เลยกว่ามีปัญญามีสมาธิมีศีลปกครองชีวิตของตนเองได้ตามลักษณะากาลสมัยของสิ่งที่เราเดินต่อไปถึงระยะเวลาสามเดือนไม่ต้องไปคิดถึงปีถึงหปีสิบปีคิดว่าอีกเดือนเสร็ศษนั้นจะเป็นเวลาครบไก่มาสามเดือนต้องปกครองวน ต้องปกครองกายวาจาและกติกาตนเองไว้ให้ถูกต้องตามลักษณะที่ได้ยินได้ฟังได้ทบทวนได้ศึกษาไว้ดีแล้วจากเรื่องราวของการกําหนดเรื่อง เ, อเรื่องของสิ่งที่ห้ามสิ่งที่อนุ ญ, ญาตสิ่งที่ปราบและสิ่งที่เตือนตามลักษณะของคำสอนพุทธองค์ถ้าเราเป้นคนขวาระพุทธองค์จะมีวักต่างๆ อย่างที่บอกแล้วมีหนึ่งเตือนอ่ามีหนึ่งห้ามอนุญาตแล้วก็แล้วก็เตือนแล้วก็เปล่าห้ามเพิ่มมาก็ว่าอย่าทาอนุญาตคือทาได้เปลาาก็าคือเตือนสติแล้วก็จะเห็นที่ลักษณะว่าห้ามห้ามแล้วก็อนุญาตแล้วก็เตือนเหมือนกับเรียกร้องสติว่าระวังกับเรื่องราวสิ่งที่ห้ามระวัง ทำตามสิ่งที่อนุญาตแล้ววางสิ่งที่เตินเข้าไว้อะไรก็พิสุกอยู่ในธรรมเนี่ยนะในแต่ดินฟากาศหรือโลกุตละธรรมเนะี่ยขายังบอกว่า <c oughs> สุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอนัตตาแล้วก็ยกสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นออกจากกระแสติตไปพร้อมทั้งสิ่งที่อยู่กับอนัตตาคืออารมณ์ เราก็จะพ้นจับอะไรกายเรียกว่าตัวกระทําอารมณ์เรียกว่ากรรมหรือสุขเลยถ้าใครยกได้นะแต่เราคงจะยกไม่ได้เป็นสมุทเทศแน่นอนในเมื่อยกเป็นสมุทเทศไม่ได้ทายัางไงก็หนึ่งมีสติรู้จักตัวกระทํำหรือกรรมตัวกระทํำนี่เราก็ที่ลงไปเลยว่ากายของเธอเนเป็นตัวกระทำไววจางของเธอนเป็นตัวกระทํา แต่อารมณ์ที่ปรุงแต่งกายกับวาจาของเธอนั้นเป็นอารมณ์กรรมเมื่อเรามีสติรู้จักตรงนี้รู้จักอารมณ์กรรมตัวกระทําตรงนี้ก็ทํ า, ทางไหนต่อไปขันติอดทนกับอารมณ์กรรมและตัวกระทําที่ปรุงแต่งปรุงแต่งข้อหนึ่งแล้วก็จะทําให้เราอผลักมาให้เราทําอีกข้อหนึ่งอดทนเอาไว้คืออดทนทางจิตในสิ่งที่มันตรงอดทนทางตัวกระทําคือกายกับวาจา แล้วข้อที่สามเมื่อออดทนได้แล้วทำไงพิจารณาถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตและอะตัวเราหรือกายของเรานั้นว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษทาให้เกิดเป็นความเดือดร้อนอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเป็นสุข ก, ก็อย่าไปเบียเดเบียนใครก็ปล่อยวางไปซะใช้หลักการสามข้อเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับเรื่องของอารมณ์และตัวกระทําก็จะทําให้เรานั้น ค่อยๆมีเวนมีกรรมที่อ่าน้อยลงน้อยลงเพราะมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักใช่ไหมว่ากายของเราเป็นกรรมอาจาเป็นกรรมทิฐิหรืออารมณ์ที่พรุงแต่งจิตนั้นมันเป็นอารมณ์กรรมเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เรามาเข้าใจจากลักษณะยะตัตติคือการสอนกันขึ้นก็เริ่มมีความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าอย่าอย่าปล่อยประละเลยนะโลกุตระเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้า อย่าท้าผลอยู่ใต้ปลายอย่าท้าผลคือหมายความว่าเราเป็นคนนะ่ะอย่าดูถูกพระพุทธศาสนาหรือคําสอนพระพุทธเจ้าคนไหนถ้าถ้าไม่เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือดูถูกหรื อ, อ, อแข็งกระด้างโกดีต่อคำสอนพระเจ้าวันนั้นแหละเวลานั้นแหละจะถูกวาผ่าหมายความว่าจะต้องสร้างกรรมไว้ตลอดกาลถ้าคนเราไม่เชื่อ ในสิ่งที่มีเนี่ยในสิ่งที่มีเหตุผลหรือแนวทางที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็คือผู้มีรักษาท่านนั้นทนน่นก็บอกว่าอรุทธุลักษณ์ก็บอกว่าถ้าอยู่ใต้ฟ้าอย่าทาฝนถ้าเกิดเป็นคนเพระอย่าทากกรรมอย่าไปขี้ว่าการรมนั่นไม่มีตั ว, ม, ตวมีตนกรรมนมันมทําให้คนเป็นค น, เ ป, น, คนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุกรกายตบ ก, กลอกเป็นคนน่อยเปียเสียท่ากิทูขุดทัง เป็นโครงพิกง so, พิการสารพัดอย่างที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาพระเลชนะกกรรมเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาสารพัดที่จะมีสังขารมีรูปแบบมีลักษณะอย่างที่เราเคยพบไปเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจเขาเองไม่เข้าใจว่าคนนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นคนนั้นทําไมเป็นอย่างนี้เพราะเหตุจากเราไม่รู้จักกรรมเลยเหรอเขาไม่เข้าใจรูปของสังขารกรรมตอนนี้เวลาเข้าใจรูปสังขารรูปสังขารกรรมเลยเรอเพราะกลัว ถ้าเขาให้เราตาบอดเนะี่ยกรรมมันปรุงแต่งให้ตาบอดเอามาหรืออยากจะทดสอบตาบอดก็ลองหลับตาเดินปกติดีมันจะชนอะไรหเปล่าจะตกขนนหรือเปล่าลองเป็นบุคคลตาบอดดู บ, บ้างเราก็จะเห็นถึงลักษณะว่าการรมปรุงแต่งสังขาร น, นั้นมันก็เกิดขึ้นจากลักษณะเราเองเราไม่เชื่อกรรมมันก็เลยเกิดเป็นชาติคือต้องมีเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดเป็น อ่าเป็นพบคืคอคือเกิดมาเมื่อเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มีชาติคือเป็นมนุษย์นะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องเกิดอะไระชร า, าพยาธิพลาความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายก่อนจะถึงความตายมันก็มีกายกรรมวิมีกรร ม, มนโนกรรมให้ให้ทําแล้วทาอีกมีความโศก ค, ความเศร้าวความเสียใจความขับแค้นใจที่ปะปนกันอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันพรุงแต่งแต่ละชนิด ถ้าเหตุที่เราไม่เชื่อกรรมชีวิตมันก็เลยต้องปะปนอยู่ในหมู่สัตว์ของสำคัญของสคัญตาทุกชนิดและแต่กรรมนั้นจะเกิดเป็นลักษณะขลุหรือละหุขลุในแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาเพราะฉนั้นโลกุตระขาถึงบอกว่าเกิด อ, อยู่ใต้ฟ้าจะท้าผลนะคือรู้จักศาสนาจะท้าคำสอนพระศาสนาว่าไม่มีจริงนะ เกิดเป็นคนน่อย่าท้านะอย่าอย่าดูถูกเพราะมันมีเรนิกรรมนะวันหนึ่งนจะรู้ว่าคนไม่ไม่ไม่เชื่อกรรมเป็นยังไงคนไม่เชื่อคำสอนพระศาสดาพระศาสนาเป็นยังไงคนที่เป็นศาสตเป็นบัณฑิตเขาเชื่อหรือเปล่าแล้วคนที่เป็นอันธพาลคนไม่รับรู้เรื่องบุญเรื่องบาปนะเป็นยังไงเป็นเป็นทุกข์ขนาดไหนทุกข์ใจทุกข์ใจแต่ละพันี่มันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษาธรรมยถัตก็คงจะเข้าใจกันพอสมควรกับเรื่องของสิ่งนี้ก็คงจะจดจําไว้ได้บ้างว่าเออข้อที่หนึ่งเรื่องสังขารที่ถูกปรุงขึ้นมาจากธรรมชาติของกรรยายกรรมอ่าของกรรมที่ต่างขึ้นข้อที่สองอุปกิดเหตทั้งหลายที่ฝ่ายฝ่อยู่ในแฟนกระแสติตอารมณ์ทำให้เกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมข้อที่สามาพบองค์พระศาสนาทําให้เกิดเป็นสันติ